เสตวันนาทิอนุชา น, นะว่าด้วยทรงอนุญาตสีขาวเป็นต้นสมัยนั้นที่อยู่อาศัยของพวกเดียรถีมีสีขาวแต่พื้นทมเป็นสีดำทาฝาเป็นสีเหลือง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 สีเหลืองก็ยังไม่เกาะติดพิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าพิกษุททั้งหลายเราอนุญาตให้ใส่ดินปนรำแล้วใช้เกรียงฉาบให้สีเหลืองเกาะติด